ปกติพระผู้ใหญ่ถ้าจะสงเคราะห์ภิกษุรุ่นหลังๆเนี่ยท่านสงเคราะห์สองอย่างหนึ่งสงเคราะห์ด้วยธรรมกับสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสเพราะฉะนั้นพระผู้ใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเมื่ อ, อบริวารของท่านเนี่ยนะไม่สนใจท่านเลยไม่มีเมตตากายกรรมต่อหน้าและหลับหลังมีงานมีการอะไรก็ไม่ช่วยเหลือท่านเลยไม่สนใจเลยไม่รับผิดชอบไม่ช่วยดูแลวัดวาอารามอะไรเลยเน่ยนะ แล้วก็คําพูดแต่ละคำเนี่ยพูดหาเรื่องทุกวันเนี่ยนะแล้วกแ็แนวความคิดเป็นต้นเนี่ยมองสายมองพระเถระเป็นต้นด้วยสายตาที่เหยียดหยามเนี่ยท่านเป็นผู้ล่วงการผ่านวัยชีวิตความเป็นนักบวชของท่านมายืนยาวนานเมื่อพระพิสุที่บวชเข้ามาใหม่เป็นต้นนั้นไม่เป็นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงขาดเมตตามไม่ได้หวังดีปรารถนาดีต่อกันไม่มีกรจิตกระใจที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันและกัน แล้วท่านจะคิดยังไงเนี่ยนะพันธท่านก็จะไม่สงเคราะห์ด้วยธรรมละอันนี้ไม่น่าสอนไม่น่าบอกเนี่ยนะอย่างบางบางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพิสู จ, จบางรูปเนี่ยนะปรารถนาจะให้พระพิสูจ์ผู้เป็นเถระเนี่ยสงเคราะห์ด้วยธรรมะแต่ทําตัวอย่างกับเป็นบิดาของพระเถระอย่างนั้นแหละเนี่ยนะทำตัวอย่างนั้นเลยไม่สนใจไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความยำเกรงเนี่ยนะพูดกระแนะกระแหน่เน็บแนมอยู่นั่นแหละเนี่ยนะ พระเถระเหล่านี้ท่านจะมีกระจิตกระใจท่านก็ไม่เอือ้อเฟื้อท่านก็จะไม่สงเคราะห์และไม่แนะนําบอกสอนอันนมีปัจจัย4ี่เป็นต้นท่านก็ไม่ให้เนี่ยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยท่านเองก็ท่านก็เข้ามาบวชในศาสนาพระภิกษุผู้เป็นเถระเนี่ยไม่ใช่ว่ามีบทวินัยบัญญัติบังคับว่าจะต้องเอื้อเฟื้อต่อภิกษุใหม่นะก็เหมือนกับเราเนี่ยมีตัวบทกฎหมายบังคับว่าพวกเราจะต้อง ดูแลลูกกัมพราร์ไหเนี่ยนะอา้าวมันก็เป็นสิทธิทของเราเนี่ยนะมันก็เป็นสิทธทิของเราว่าเราจะทําหรือไม่ทําเราจะดูแลหรือไม่ดูแลพระเทเรทั้งหลายก็เหมือนกันไม่มีในพระวินัยบัญญัติว่าท่านจะต้องอนะดูแลพระภิกษุทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะบทบัญญัติบังคับเป็นท่านก็สามารถมีวิธีการอย่างอื่นก็ได้เนี่ยนะโดยที่ไม่ผิดธรรมไม่ผิดวินยัยไม่ผิดคําสอนท่านก็สามารถที่จะอยู่ อย่างสบายๆไม่ต้องใครว่าไม่ต้องไปหาภาระมาใส่ตัวอะไรเพราะฉะนั้นท่านก็จะไม่เอื้อเฟือแหละจะไม่เอื้อเฟือในพระนวะกะด้วยจีวรนเป็นต้นเนี่ยนะอเออแกเดือดร้อนเรื่องจีวอนเอก็เดือดร้อนไปสิไม่ใช่ฉันนี่เอาอาหารไม่พอฉันเอาไม่พอฉันก็เรื่องของเธอไม่ใช่ฉันแฉันก็พอมีพอฉันอยู่แล้วเนีเป็นต้นที่อยู่อาศัยเอาหลับนอนที่ไหนก็ตามสบายแล้วกันมันก็จะขาดความเอื้อเฟือต่อกัน อันที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าพระเถระไม่เอื้อเฟื้อก่อนแต่พระนวกะข้างหลายไม่เอื้อเฟื้อต่อท่านก่อนแต่ละคนบอกแมมท่านจะน่าจะช่วยเรามั่งนะแต่พระเถระก็บอกแหมพวกเธอน่าจะช่วยฉันบ้างนะต่างคนก็ต่างไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างไรผู้ใหญ่ท่านก็ไปสบายแล้วแหละแต่คนใหม่ๆเข้ามาสิเดือดร้อนลําบากในเรื่องปัจจัยสี่ปัจจัยสี่จีวรกอกันดานหายากอาหารก็ชั้นยังอัตคัดขาดแคลน ที่อยู่อาศัยก็ลําบากยุงเป็นต้นรบกวนเหลือเกินป่วยไข้ไม่สบายก็เนี่ยนะอย่างที่พระเถระบางองค์ก็บอกว่าคือคือลูกสิ์มันก็เกินไปเมื่อกั้นะพระเถระก็เกินพกก็ทั้งคู่พอกันเลยนะเธอไม่สบายเอาไปบอกพ่อแม่เธอมาสิเนี่ยนะเธอมีพ่อแม่ไม่ใช่หรอให้พ่อแม่เธอเอาไปโรงพยาบาลไปเนี่ยนะก็ไม่สนใจเนี่ยต่างคนก็ต่างอยู่กันไปเธออยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปอย่างเงี้ยนะ คือแล้วก็พระนวกะทั้งหลายก็พอกันนั่นแหละเนี่ยนะทำตัวก็ไม่น่าเอื้อเฟื้อมันก็เลยไปกันใหญ่เนี่ยน ะ, ะพระนวกะก็ไม่มีเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังต่อพระเถระไม่มีเมตตาวจีกรรมต่อหน้าและรับหลังต่อพระเถระไม่มีเมตตามโนกรรมต่อหน้าและรับหลังต่อพระเถระไม่เอื้อเฟือไม่เคารพไม่บูชาไม่ยำเกรงไม่นอบน้อมแปลว่าไม่ให้เกียรติกันเลยเนี่ยนะมันพระเถระพูดอยู่ปั๊บก็พูดเซงเนี่ยนะ พูดแซงพูดแทรกนั่งเบียดพระเถระเรียกว่าก่อความลำคาญให้ท่านไม่มีที่สุดทีนี้พระเถระก็ไม่เอือเอเอเอ้อเฟือเมื่อพระเถระไม่เอื้อเฟือตัวเองก็ลําบากแล้วก็เดือดร้อนเมื่อเดือดร้อนก็ไม่สามารถที่จะดํารงอยู่ในพระาศาสนานี้ในที่สุดก็พระพรภิกษุหนุ่มไม่ใช่น้อยเลยทะเลาะอ ะ, อ, อะไรนะทะเลาะขบถีระเลยก็เลยศึกหาลาเพศไปอะไรไปเนี่ยนะตัวเองก็เสื่อมจากอธิศีนเสื่อมจากอธิจิตเสื่อมจาก อธิปัญญาเนี่ยนะมันก็เลยเสื่อมจากศีลขันสมาธิขันปัญญาขันเสื่อมจากอริย ส, สั พ, พย์เสื่อมจากศรัทธาในพระรัตนตรายเสื่อมจากศีลเสื่อมจากหิริโอตปะสุตตาจากข้าปัญญาเสื่อมจากสติปฐานสัมมปทานเป็นต้นก็แปลว่าเป็นคนที่ตกจากพระาศาสนานี้พันภิกษุผู้โง่เขาก็จะเสื่อมจากประโยชน์อย่างนี้แลทบทว น, นะว่าภิกษุผู้โง่เข่าเนี่ยหนึ่งไ ม, ไม่ไม่ฉลาดใน รูปก็คือไม่รู้จักภูตรูปและอุปาทายรูปไม่ฉลาดในลักษณะคือไม่รู้ว่าคนพาลมีลักษณะอย่างไรบัณฑิตเป็นต้นมีลักษณะอย่างไรก็เว้นคนเว้นบัณฑิตเลือกคบคนพาลเนี่ยนะ แล้วก็สไม่เขลียใครค้างหมายความว่าไม่กําจัดอกุศลริโตกและบาปอากุสรธรรมทั้งหลายที่เกิดในใจสี่ไม่ปิดแผลก็คือไม่สังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจปล่อยให้บาปอากุสรธรรมทั้งหลายไหลเข้ามาชอนชัยในใจแล้วก็สีห้าไม่สมขวัญก็คือรู้พระธรรมไรก็ไม่แสดงนะไม่ไม่สงเคราะห์คนอื่นบ้างเลยเนี่ยนะแล้วก็หไม่รู้จักท่าก็าคือ ไม่รู้จักเที่ยวถามว่าที่ไหนควรสอบถามเรื่องอะไรใครที่จะแนะนําตัวเองได้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อถามไม่ถูกคนถามผิดที่หรือไม่รู้จักถามตัวเองก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่รู้จักดื่มก็คือฟังธรรมแล้วก็ไม่ตั้งอกตั้งใจฟังไม่ได้ปีติปราโมทที่เกิดจากการฟังแปดไม่รู้จักทางก็คือไม่รู้ว่าข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์8ดในศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร เาไม่รู้จักโขจรก็คือไม่รู้จักวิธีการเจริญสติปัะทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้า 10. บเ ร, เรีนะเรีไม่มีส่วนเหลือก็หมายความว่าขู่เรีทายกผู้ถวายปัจจัยสีแบบชนิดที่เรียกว่าเขาไม่เหลือให้ลูกกินเลยเนี่ย น, นะ 11. ก็ไม่บูชาภิกษุทั้งหลายที่เป็นเทระด้วยเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังก็เลยไม่ประสบความเจริญในพระศาสนาฉันนั้นเหมือนกันนนะ อันนี้แหละภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์11ประการจะไม่สมควรคว่าไม่สมควรที่จะเจริญงอกงามพัยบูร์บริบูรณ์ในพระาศาสนานี้ส่วนองค์ตรงกันข้ามเนี่ยนะฝ่ายขาวบ้างนะที่พระองค์แสดงคําที่เป็นเป็นคุณว่านายโคบาลที่ประกอบด้วยองค์11ประการ สมควรที่จะรักษาหมู่โคทำหมู่โคให้เจริญขึ้นได้11ประการเป็นไงสิบอประการก็คือนายโคบานในโลกนี้เป็นผู้รู้จักรูปนะรู้จักรูปของโคโดยการนับโดยลักษณะเป็นผู้ฉลาดในลักษณะของโคเป็นผู้เขี่ยไข่ข้างไข่แมลงวันออกจากแผลโคเป็นต้นรู้จักปิดแผลโค ร, รู้จักสุมควรให้โครูร้จักท่าให้โคดื่ม รู้จักให้รู้จั ก, จกท่าเป็นที่ให้โคดื่มและรู้จักว่าโคเนี่ยดื่มหรือไม่ดื่มรู้จักทางที่ที่ควรจะพาโคไปฉลาดในตำบลที่โคเที่ยวหากินแล้วก็รีดน้ำนมโคโดยมีมีเหลือาวให้ลูกโคบ้างแล้วก็ปรนปรือโคอุสภระผู้เป็นพ่อฝูงด้วยการปรนเปรือย่างล้นเหลือ พันนายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการเหล่านี้ควรจะรักษาฝูงโคและทําให้หมู่โคเจริญได้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าหากว่าพระภิกษุรูปใดที่ประกอบด้วยองค์11ประการแล้วควรจะถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรในธรรมวิไนน์นี้นะในในพรสาสมณเนี่ยนะจากองค์11ดประการเนี่ยเราเป็นตําราดูพระภิกษุเลยว่า อนาคตทางศาสนาท่านจะเจริญหรือจะเสื่อมก็ดูจากองค์11ประการองค์11บอประการคืออะไรบ้างหนึ่งเป็นผู้รู้จักรูปสองฉลาดในลักษณะสเป็นผู้เคียวไค่กลางออกสี่ปิดแผลห้าสมควันหรู้จักท้าเจ็ดรู้จักให้ดื่มแปรู้จักทาง 9. ฉลาดในโคจรสิบรีดเอาไว้ให้มี่ซนเหลือส1บเอ็ดเป็นผู้บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็น เฮระรัตตัญยูมีพรรษาบวชมานานเป็นบิดาของพิสุสงฆ์ผู้นำพิสุสงฆ์หรือว่าสังฆปรินายกเนี่ยนะหัวหน้าเจ้าวาัดในวัดนั่นแหละด้วยการบูชาย่างพิเศษเนี่ยนะข้อแรกก่อนที่บอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้รู้จักรูปเป็นอย่างไรคือพิกษุในศาสนานี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่ารูปชนิดใดชนิดหนึ่งรูปทั้งปวงทั้งที่ทเป็น มหาพูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาพูตรูปสี่คืออุปาทายรูปเนี่ยนะเข้าใจรู้จักปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุนั่นนะแล้วก็ปัทวีธาตุทั้งที่เป็นภายในภายนอกอาโปธาตุภายในภ า, ายนอกเตโชธาตุภายในภายนอกวาโยธาตุภายในภ า, ายนอกแล้วก็ธาตุทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะ มีรูปอะไรมาอาศัยบ้างสีเสียงกลิ่นรสเป็นต้นอาศัยรูปทั้งหลายเหล่านั้นไหมแล้วก็วิเคราะห์จําแนกโดยนับโดยลักษณะพร้อมทั้งเหตุปัจจัยสามารถที่จะใครครวนรูปเหล่านั้น ท, ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะมนุษยการพอที่จะเป็นรองอารมณ์รองรับสมถะและวิปัสสนาทั้งหลาย น, นี้เรียกว่าเป็นผู้ที่รู้จักรูปอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผู้ที่องค์ที่หนึ่งที่คู่ควรที่จะเจริญ ในพระศาสนานี้ข้อแรกข้อสองเป็นผู้ฉลาดในลักษณะอย่างไรบอกภิกษุในศาสนานี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นลักษณะเนี่ยนะลักษณะของคนพาลเนี่ยนะทากรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่แหละจึงทำให้บอกรู้ว่าเออคนนี้เป็นพาล น, นะบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายเป็นลักษณะก็คือบัณฑิตนั้นก็คิดแต่ทําแต่กายสุตเจริญผู้แต่ วจีสุจเรตนึกคิดแต่มนโนสุจริตเนี่ยนะก็แยกผานแยกบัณฑิตเข้าใจลักษณะของผางและบัณฑิตเว้นจากคนผานคบบัณฑิตเนี่ยนะเมื่อเว้นจากคนผานานะก็คบแต่บัณฑิตเมื่อคบบัณฑิตแล้วก็จะเจริญด้วยจุลศีลมชิมศีลมหาศีลเจริญด้วยธุดงเจริญด้วยสมถา ว, วิปัสนาเจริญด้วยอภิญญามรรคผลเพราะบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะผู้ใดมาคบกับเขาเขาจะต้องเกื้อกูลให้ถึงที่สุด เมื่อเกื้อกูลไม่ได้จะเชื่ อ, อบัณฑิตไม่คบเราแน่นอนเนี่ยนะถ้าบัณฑิตเขาเกื้อกูลเราไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องสลับทิ้งเราเพราะการอยู่ร่วมพวกพากับบัณฑิตไม่มีเนี่ยนะไม่เคยมีมาแล้วในอดีตจะไม่มีต่อไปในอนาคตและไม่มีอยู่ในปัจจุบันเพราะบัณฑิตทั้งหลายเขาไม่ยอมเนี่ยนะไม่ยอมที่จะให้คนพานอยู่แปดปนแต่ที่ดูเหมือนว่าคนพาดยังอยู่ตรงนั้นเพราะเขาหาโอกาสที่จะเกื้อกูลอยู่ สแสวงหาโอกาสหาช่องทางที่จะเกื้อกูลอยู่แต่ถ้าบัณฑิตวินิจฉัยใคร่ควรแล้วว่าเกื้อกูลไม่ประสบความสําเร็จวันนั้นเท่าเจริญอุเบกขาแน่นอนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่คบบัณฑิตนะบัณฑิตก็จะพาไปจนประสบความสําเร็จแล้วก็ประสบความเจริญต่อไปข้อองค์ที่สามที่เป็นเหตุให้พิสูจน์เจริญงอกงามในพระศาสนาก็คือเป็นผู้เขี่ยไ ข, ข่ค้างออกเสียถามว่าเป็นอย่างไร บอกว่าภิกษุในพระศาสนานี้กำจัดกามวิตกกำจัดพยาบาทวิตกกำจัดวิหิงสาวิตกและกำจัดอากุศลธรรมที่เป็นบาป ท, ที่มาท่วมทับทับถงเนี่ยนะเรียกว่าชำระบาป ท, ท, ที่อยู่ในภายในชำระกามวิตกพยาบาทวิตกพันละบรรเทาทำให้สิน้นทำไม่ให้เกิดได้เนือ ง, งเนี่ยนะเรียกว่าคอยจัดตั้งกองอารักขาห้ามมิจฉาสังกปะเนี่ยนะ คอยระวังเนี่ยนะระวังไม่ให้อกุศลวิตกทั้งหลายเกิดขึ้นเจริญขึ้นในในจิตใจทั้งหลายอันนี้แหละเรียกว่าเขี่ยไ ข, ข่้างออกเพราะว่าไอไ ข, ข่้างคืออกุศลวิตกถ้ามันเกิดในใจก็สร้างแต่ความเสียหายในที่สุดก็ทําลายศีลเป็นต้นสกเลี่ยงหมดนั้นแต่ผู้ที่กําจัดกามวิตกก็เจริญเนคขมะวิตกกําจัดพยาบาทวิตกก็จเจริญอัพพยาบาทวิตกกําจัดวิหิงสาวิตกก็อยู่ด้วย อวิหิงสาวิตกก็อยู่ด้วยอะโลภะอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณาเนี่ยนะหยุดมันจะเจริญงอกงามในกุศลธรรมในพระศาสนาอั น, นองค์ที่สามที่เป็นเหตุให้เจริญในพระศาสนาก็คือการกําจัดอกุศลวิตกที่อยู่ในภายในเปรียบเหมือนเขีย่ยเอาไข่แมลงวันหัวเขียวเนี่ยที่มันอยู่ในใจออกซากเหมือนกเพราะไม่งั้นเนี่ยมันช่อนชายแน่ในที่สุดจะว่าแต่ศีลเลยผ้าก็ยังรักษาไม่ได้ ต่อไปบอกว่าภิกษุเป็นผู้ปิดแผลเป็นอย่างไรพิสูจนในาศาสนานี้เห็นรูปด้วยตาเนี่ยนะก็ไม่ยอมให้ไม่ถือไว้โดยนิมิตอนุพยัญชนะระวังป้องกันไม่ให้อภิชาและโทมนัสไหลเข้ามาฟังเสียงด้วยหูแล้วก็ระวังป้องกันไม่ให้อภิชาและโทมนัสไหลเข้ามาดมกลิ่นด้วยจมูกก็ไม่ยอมให้อภิชาและโทมนัสไหลเข้ามา ลิมรถด้วยลิ้นแล้วก็ไม่ยอมให้อภิชาและโทมนัสไหลเข้ามาถูกต้องสัมผัสด้วยกายแล้วก็ไม่ยอมให้อภิชาและโทมนัสไหลเข้ามารู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่ยอมถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะไม่ยอมปล่อยให้อภิชาและโทมนัสเนี่ยครอบง ำ, ง ำ, งำย่ำยีใจเนี่ยนะก็เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเจริญศาสตะสัมปชัญญะรู้ประโยชน์ที่จะ เห็นอะไรควรดูอะไรไม่ควรดูเนี่ยนะมีศาสกะสัมปชัญญะที่อะไรควรฟังไม่ควรฟังรู้ประโยชน์ของการดูรู้ประโยชน์ของการฟังรู้ประโยชน์ของการรู้กลิ่นรู้รสเป็นต้นมันเจริญศาสตกะสัมปชัญญะจึงสามารถบริหารสมถะและวิปัสนาให้สืบเนื่องไปในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้จัก ปิดแผลเพราะว่าบาปมันไลลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจนี่แหละเนี่ยนะก็สำรวมระมัดระวังไม่ให้บาปเป็นต้นไหลเข้ามา